Always okay. เพื่อการละวางอัตตาตัวตนโดยอาจารย์สุดใจชื่นสำนวนกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาอ่านโดยปิยะชำนาญกิจห้องบันทึกเสียงมาร์กแอดไมสตูดิโอสนับสนุนโดยคุณวุฒยยั่งยืนสุข คำนำใช่คุณหรือเปล่าหนักเหลือเกินกับการที่ต้องแบกความทุกข์ความหนักใจไว้ทั้งชีวิตเหนื่อยเหลือเกินกับการที่ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์หลากหลายหัวเราะร้องไห้ยินดียินร้ายที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลาทุกวันคืนเบื่อเหลือเกิน กับการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัตรอันยาวไกลโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและจะยังวนเวียนไปอีกเท่าไหร่หนอลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าเราทุกข์เพราะสิ่งใดเรากำลังแบกอะไรเราจะวางลงได้ไหมเราจะวางอย่างไรเมื่อเห็นทุกข์ ย่อมอยากออกจากทุกข์จึงต้องมีคำถามแล้วก็หาคำตอบและคำตอบที่คุณค้นหาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนเป็นการถ่ายทอดกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎของจักรวาลผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยผู้ทรงภูมิปัญญาจากต่างดวงดาวในจักรวาลนี้เพื่อให้มนุษย์บนโลกไปนี้ได้มองเห็นสัจธรรมหรือกฎธรรมชาติในอีกมุมหนึ่งของทุกสปปรรพสิ่งซึ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎเดียวกันในทุกๆจักรวาลธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นวันนี้คุณอาจโชคดีที่ได้เห็นธรรมชาติของขันห้าผ่านภาษาเรียบง่ายที่เข้าใจได้ทันทีโดยผ่านหนังสือเล่มนี้เท่านั้นข้อความที่เป็นสัจธรรมนี้ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยภาษาที่เลิศเลอแต่เป็นถ้อยคำง่ายๆที่ผู้อ่านทุกวัยสามารถเข้าใจได้ทันทีที่อ่านจบ ออกจากทุกได้ทันทีที่อยากออกวางความหนักได้ทันทีที่อยากวางเจอสุขหรือทุกข์จะยึดหรือวางจะว่างหรือวุ่นคุณเลือกได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วมุมมองคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเห็นความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลา และไม่เปบังคับบัญชาสิ่งเหล่านั้นความเห็นผิดยึดติดในอัตตาตัวตนจะลดน้อยถอยลงไปจนคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทุกต่อไปหรือจะคืนความทุกข์ให้ธรรมชาติโดยไม่ไปคว้าเอามาครอบครองคำถามมากมายคำตอบหลากหลายที่ได้พบเจอจากสถานที่ต่างๆอาจทำให้เบาบางจางคลายจากความทุกข์ได้เป็นครั้งครั้ง แล้วก็กลับมาทุกใหม่ด้วยความไม่เข้าใจขันห้าตามจริงแต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้ความทุกข์หายไปอย่างถาวรถ้าคุณทำได้ด้วยมุมมองที่เข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่านั่นเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราจึงยึดมั่นถือมั่นกันเอาไว้ จึงต้องเวียนเกิดเวียนตายจนนับพบนับชาติไม่ได้แล้วกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลา่า www. u f o k a k l a com ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนชุดที่หนึ่งการปล่อยวาง ธรรมะในขั้นปล่อยวางก็คือการเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์ตามธรรมชาติเห็นการปรุงแต่งไปตามกลไกของธรรมชาติและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวบังคับบัญชาธรรมชาตินั้นๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามกลไกของธรรมชาตินั้นมันก็เกิดซ้ำๆเช่นนี้มานานแล้วและขณะนี้ก็ยังคงเกิดอยู่และก็จะยังเกิดขึ้นไปอีกในอนาคตต่อๆไป เบื่อบ้างไหมกับอารมณ์ที่รุ่มร้อนวิตกกังวลหดหูหมนหมองมึนซึมที่มันเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานานเหลือเกินทําให้จิตเราหวั่นไหวขึ้นลงไปกับอารมณ์เหล่านี้ไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งอยากสงบก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งอยากเลิกกังวลก็ยิ่งคิดยิ่งกังวลไม่เคยหยุด อารมณ์ก็ยิ่งร้อนรุ่มทุรนทุรายจะหาความสงบไม่ได้เลยในภาวะนั้นๆเพราะเราห้ามมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครแต่เรารู้จักมันได้เราเรียนรู้มันและเข้าใจมันตามที่มันเป็นนั่นแหละที่จะทําให้เราปล่อยวางมันได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้กับมันมานานหรือเกินและตอนนี้มันก็ยังอยู่กับเราถ้าคิดว่า ยังต้องอยู่กับมันไปอีกไม่รู้จะนานเท่าไหร่นั้นถ้าต้องขึ้นลงวิ่งตามมันไปเรื่อยๆแค่คิดก็เหนื่อยเหลือเกินเรามาลองปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นกันดูบ้างดังที่หลวงพ่อชาสุธธธทัศโธพระโพธิยานเถระท่านได้อุปมาอุปไมยไว้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายถ้าไม่มีอะไรขวางมันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน แม้พิษมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาไม่ได้ทำอันตรายเราเพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มันเพราะอารมณ์มันก็ต้องเกิดอย่างนั้นอยู่แล้วตามเหตุปัจจัยเราแค่ ย, ยืนดูอยู่ห่างๆแม้มันจะยังเกิดขึ้นอยู่แต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนแม่น้ำที่กำลังเชี่ยวกรากถ้าเรายืนดูอยู่บนฝั่งเราก็จะเห็นน้ำนั้นมันก็ไหลเชี่ยวไปเรื่อยๆ ประท ก, กับสิ่งต่างๆแล้วพัดพาสิ่งนั้นๆไปด้วยเมื่อเรายืนดูเราก็เห็นแต่ถ้าเผลอลงไปในน้ำนั้นแม้จะว่ายน้ำเป็นก็ยังคงต้องเปียกปอนเหน็ดเหนื่อยในการว่ายเข้าหาฝั่งอยู่ดีถ้าเรายังไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของอารมณ์ก็จะเข้าไปพยายามที่จะดับมันไม่ให้มัน ร, อนรน้อนรนเศร้าหมองและถ้าพยายามแล้วมันไม่ดับ ก็จะมีตัวเราเป็นผู้ทุกตามอารมณ์นั้นๆแต่ถ้ารู้และเข้าใจในอารมณ์นั้นๆว่ามันก็เกิดเช่นนั้นเองไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปขวางไม่เข้าไปดับมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตัวเราพู้ทุกข์ก็ไม่มีแม้มันกาลังแสดงอารมณ์หดหู่เศร้าหมองวิตกกังวลก็ดูความหดหู่เศร้าหมองวิตกกังวลนั้นตามที่มันกาลังเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่ใช่ว่า เข้าใจแล้วอารมณ์หดหูเศร้าหมองวิตกกังวลจะหายไปมันไปหายไปหรอกในขณะนั้นเพราะแม้เราเข้าใจกลไกาการปรุงแต่งของมันแล้วก็ตามแต่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันมาหลายส่วนแต่ละส่วนมันก็ทำงานตามกลไกของมันเมื่อคิดกังวลแล้วมันก็ต้องมีอารมณ์หดหูเศร้าหมองวิตกกังวลตามสารเคมีนั้นแม้เราจะรู้จะเข้าใจ แต่ก็ยังมีละอองของภาวะอารมณ์ขณะนั้นมาครอบคลุมอยู่ดีจึงได้จะมองเห็นภาวะอารมณ์ขณะนั้นนั้นแต่ไม่ได้เป็นความทุกข์นั่นเองเมื่อเรารู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาคล้ายจะเป็นไข้แต่ยังไม่ได้เป็นก็กินยาแก้ไข้หวัดแล้วทํางานต่อแต่ยานั้นมีผลทําให้เกิดอาการง่วงนอนผลิตของยามีอาการง่วงนอนร่วมอยู่ด้วยดังนั้นแม้เราจะไม่อยากนอน อยากทํางานแต่เมื่อกินยาเข้าไปแล้วสารเคมีออกฤทธิ์แล้วก็ทําให้เราง่วงนอนอยากนอนและต้องหลับไปในที่สุดแม้จะอยากหรือไม่อยากก็ต้องหลับอยู่ดีเพราะสารเคมีทํางานตรงไปตรงมาคนที่ต้องผ่าตัดเมื่อเขาให้ดมยาสลบแม้จะฝืนอย่างไรก็ต้องสลบทอยู่ดีร่างกายไม่สามารถต้านทานต่อสารเคมี ที่มาทำปฏิกิริยากับกลไกในร่างกายได้ดังนั้นถ้าเราศึกษาให้ดีดูให้ดีเรานำวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์วิจัยแล้วมาประยุกต์ใช้เพื่อเรียนรู้ร่างกายของเราขันห้าของเราอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละนาทีแล้วก็จะเห็ น, นกลไกที่ทาไมธรรมะจึงบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างไม่ใช่ตัวตน ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อคิดเสียใจอารมณ์ก็หดหูเศร้าหมองมันรองรับกันตรงไปตรงมาตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นแค่ผู้ดูที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ในขณะนั้นความหดหูเศร้าหมองความเบื่อหน่ายความห่อเหี่ยวใจที่เราคิดว่าเป็นความทุกข์ หรือแม้แต่ความพออกพอใจที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเมื่อดูก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงภาวะอารมณ์ลักษณะหนึ่งกำลังดาเนินกลไกยอยู่ในขันห้าขณะนี้เท่านั้นและเมื่อเห็นมันจริงๆรอารมณ์เหล่านี้ก็ทำอันตรายเราไม่ได้เช่นกันแม้มันจะยังคงแสดงอาการหดหูเศร้าหมองเช่นนั้นอยู่ก็ตามอย่างที่หลวงพ่อชาสุภัทโทรพระโพธิญาณเถระ ท่านอุปมาอุปมยไว้ว่างูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเหา่ามันก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็จะปล่อยหมดสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไปเหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้นปล่อยให้มันเลื้อยข้อมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งที่มีพิษอยู่ในตัวมันนั่นเอง ธรรมะก็คือธรรมชาติการมองเห็นความเป็นธรรมชาติของขันห้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็เพราะเข้าใจในกลไกของมันนั่นเองดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในกระบวนการขันห้านั้นก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่มีมุมมองที่กว้างขึ้นอีกในรูปแบบวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันไปด้วย จึงเป็นไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทางจิตที่สามารถเข้าใจได้เป็นรู ป, ปรธรรมคือมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนกลไกของขันห้าที่ได้กล่าวไว้นั่นเองเบิงครั้งการมองเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนั้นก็สามารถทำให้เราเข้าใจถึงกลไกของธรรมชาติและไม่อยากที่จะไปบังคับบัญชาให้ธรรมชาติเป็นไปอย่างที่เราต้องการธรรมชาติจอมปรุงแต่งให้แต่ละบุคคล เป็นไปตามแต่ละเหตุปัจจัยนั้นๆที่เขาได้สะสมมาไม่ได้มีใครจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเช่นนั้นดังนั้นการเกิดมาตามกรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพราะเมื่อยังมีตัวตนของตนอยู่สิ่งที่กระทําย่อมถูกเก็บไว้เพื่อประมวลผลต่อไปเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งโปรแกรมบวกเลขไว้แล้วเราก็ใส่ตัวเลขไปเรื่อยๆ บวก15ลบ28บวก32ลบ16บวก88บวก90ลบ43ลบ217บวก343ลบ51บวก8และบันทึกต่อไปเรื่อยๆเมื่อกดให้คำนวณยอดสุดทธิของข้อมูลตัวเลขที่ประมวลผลออกมาได้เท่าไหร่จะเป็นบวกหรือติดลบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็รายงานออกมาถูกต้องตามนั้น เราก็เช่นกันเมื่อยังมีความเป็นตัวเราของเราอยู่การบันทึกกุศลหรืออกุศลเข้าไว้เมื่อประมวลผลออกมาอย่างไรกลไกของธรรมชาติก็ย่อมจัดสรรให้ไปอยู่ในแบบฟอร์มขันห้านั้นๆตามการประมวลผลออกมานั่นเองแบบฟอร์มอะไรทำไมต้องมีแบบฟอร์มขันห้าแบบฟอร์มขันห้ากลไกของธรรมชาติ ก็มีการจัดสรรกำหนดกฎเกณฑ์เป็นแบบฟอร์มขันห้าขึ้นมาแบบฟอร์มแต่ละแบบฟอร์มนั้นจะมีความเหมือนกันในแต่ละแบบฟอร์มดังตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มขันห้าของนกแกว้วแบบฟอร์มนี้มีสองขามีปีกสีเขียวจะมีลักษณะบินได้และพูดได้ถ้ามีการสอนให้พูดแบบฟอร์มของนกยุงมีปีกแต่บินไม่ได้มีสีสันสดใส หางลำแพนสวยงามแต่สอนให้พูดไม่ได้แบบฟอร์มของปลาฉลามจะมีลักษณะดุร้ายกินปลาเล็กๆ เ, เป็นอาหารแบบฟอร์มของปลาทูจะไม่ดุร้ายจะตกเป็นอาหารของปลาต่างๆจะมีการอยู่กันเป็นฝูงใหญ่การไหวการแสดงออกจะเ ห, เหมือนกันแบบฟอร์มของลิงของมแมลงของเต่าของกระต่าย ของอะไรก็ตามก็จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละแบบฟอร์มแตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อการประมวลผลของการบันทึกไว้ออกมาเป็นเช่นไรถ้าผลของการประมวลผลออกมาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เข้าได้กับแบบฟอร์มไหนก็จะต้องไปยังแบบฟอร์มนั้นสมมุติว่าสร้างอากุศลมากกว่าและได้แบบฟอร์มประทูเมื่อเข้าไปอยู่ในแบบฟอร์มนั้นแล้ว ก็ต้องคิดรู้ทำไปตามแบบฟอร์มนั้นเลยเพราะมันมีแค่ชั้นเดียวคือมีแค่การทำตามสัญชาตญาณเท่านั้นเมื่อออกมาเป็นลูกปลาก็ต้องเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณเมื่อโตขึ้นมาก็เข้าไปในฝูงแวกว่ายไปหาอาหารตามกลุ่มของปลาเมื่อฉลาดมาสัญชาตญาณเอาตัวรอดก็ว่ายหนีและมารวมฝูงกันใหม่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ตามแบบฟอร์มจะไม่มีการคิดได้ว่า จะรวมกันสู้ฉลามถ้าฉลาดรู้เท่าทันไม่ไว่ายไปเข้าอวนที่มนุษย์วางไว้เพราะแบบฟอร์มนี้ไม่ได้มีไว้ให้คิดซับซ้อนได้ที่มีการคิดได้แค่ชั้นเดียวคือเป็นไปตามสัญชาตญาณของแบบฟอร์มนั้น น, นดังนั้นถ้าตอนเป็นมนุษย์แม้คนคนนั้นจะเก่งกล้าสามารถเป็นใหญ่เป็นโตไม่กลัวใครสร้างสิ่งไม่ดีไว้มากมายแต่ถ้าผลที่ส่งไปลงแบบฟอร์มของปลาทู และแบบฟอร์มนั้นคิดรู้ได้ตามสัญชตาตญาณเท่านั้นแบบฟอร์มประทูขี้กลัวเมื่อไปอยู่ในแบบฟอร์มนั้นก็ต้องขี้กลัวไปด้วยตามแบบฟอร์มที่ธรรมชาติออกแบบไว้แล้วมดที่เราเห็นเดินกันปเป็นแถวแถวนั้นเมื่อไปเกิดในแบบฟอร์มนั้นก็ต้องเดินเป็นแถวแถวตามกันไปไม่มีการที่จะคิดว่าฉันนอนดีกว่าจะเดินตามเข้าไปทําไมจึงคิดรู้ได้ตามสัญชตาตญาณของแบบฟอร์มนั้นเท่านั้น แม้ก่อนตายจะเป็นคนพูดเร็วว่องไวทำงานเก่งแต่มีด้านอากุศลมากกว่าหากเมื่อละขันมนุษย์ไปการประมวลผลทรงไปอยู่ในแบบฟอร์มของเต่าแบบฟอร์มนั้นเชื่องช้าคลานไปเรื่อยๆตุ่มเตียมตุ่มเตี่ย ม, ม, เ, ยมเขาก็ต้องตุ่มเตี่ยมตามแบบฟอร์มนั้นตามสัญญาตยานของเต่านั่นเองจะไม่มีการคิดได้ว่าไม่เอาแล้ววิ่งดีกว่าเบื่อเดินช้าๆเบื่อนอนในน้า เบืออะไรต่อมีอะไรไม่สามารถคิดรู้ได้ซึ่งก็เป็นไปตามแบบฟอร์มนั้นในส่วนมากแต่สำหรับมนุษย์ก็เป็นแบบฟอร์มขันห้าเช่นกันแต่แบบฟอร์มนี้มีลักษณะพิเศษมากกว่าแบบฟอร์มอื่นๆมีความซับซ้อนมีคุณสมบัติคิดรู้ได้เองดังนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ประเสริฐเพราะเป็นแบบฟอร์มที่นอกจากจะมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถมีปัญญาคิดรู้ได้ที่นอกเหนือไปจากแบบฟอร์มอื่นๆคือมีสติยังคิดมีการพิจารณามีการไตรตรองมีการควบคุมอารมณ์ที่เกิดตามสัญชตาตญาณดังนั้นจึงสามารถที่จะพิจารณารมและบรรลุธรรมได้ดังนั้นการที่จะเกิดมาได้แบบฟอร์มของมนุษย์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากแสนยากการมองให้เห็ น, นกลไกตามธรรมชาตินั้น ก็ต้องมองให้รอบมองให้เห็นความเป็นธรรมดาของกลไกลของสัตว์เหล่านั้นด้วยจริงจกมันก็เกิดมาอยู่ในแบบฟอร์มของมันมันต้องกินมแมลงมันต้องอยู่ตามบ้านเราเพรารอกินมแมลงเรารำคาญอยากไล่มันเราก็ทำได้แต่ถ้ามันมาอีกเราก็ไล่อีกมันมาอีกเราก็โมโหความทุกข์ก็เป็นของเราความพยายาม ท, ที่จะทำร้ายมันก็ถูกบันทึกไว้ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำก็บันทึกไปเรียบร้อยแล้วตามเจตนาตามความคิดที่เรายึดว่าเป็นผู้คิดนั่นเองเมื่อแรงเมาเมื่อมีไฟที่ไหนมันก็พากันบินเข้าไปแล้วมันก็ตายกันเป็นฝุงฝูงเมื่อเรามองดูเราก็ปรงสังเวทที่มันพากันบินเข้าไปตายแต่เมื่อมันอยู่ในแบบฟอร์มนั้นมันไม่สามารถคิดได้ว่าอย่าเข้าไปในไฟเลยเดี๋ยวตาย แต่แบบฟอร์มนั้นมันก็ทำตามสัญชตาตญาณของแบบฟอร์มเท่านั้นเกิดปัญญาคิดรู้ไม่ได้ดังนั้นการที่ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนั้นก็เป็นการเกิดมาใช้กรรมที่ว่าเกิดมาใช้กรรมก็เพราะไม่สามารถที่จะคิดรู้พาตัวเองออกจากความทุกข์ได้ก็ทำไปตามสัญชตาตญาณเท่านั้นเป็นนกออกจากไข่แล้วก็หัดบินออกไปหากินมีสัญชตาตญาณเอาตัวรอดจากภัย สืบพันธุ์ออกไข่เลี้ยงลูกแล้วก็ตายถ้าเกิดมาในแบบฟอร์มนกอีกก็ออกจากไข่แล้วก็หัดบินออกไปหากินมีสัญชตาตญาณเอาตัวรอดจากภายัยสืบพันธุ์ออกไข่เลี้ยงลูกถูกคนยิงบาดเจ็บแล้วก็ตายวัตจักรของนกก็มีแค่นี้เกิดมาแต่ละชาติก็เท่าเดิมก็คือเกิดแค่ไหน ก็ตายแค่นั้นเพราะไม่มีความคิดซับซ้อนให้เกิดปัญญาได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มนั้นไปยังแบบฟอร์มอื่นๆที่มีกลไกซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเท่านั้นหมายเหตุที่กล่าวานี้เป็นแบบฟอร์มขันห้าของสัตว์ตามธรรมชาติที่เห็นกันทั่วๆไปมิได้กล่าวรวมถึงการอธิษฐานจิตมาสร้างบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์ในชาติภพที่ผ่านมาที่ท่านมีปัญญาไตรตรอง และคิดรู้ได้ตามการอธิษฐานจิตนั้นๆดังนั้นการที่จะมองเห็นธรรมชาติแล้วปล่อยวางตามความเป็นจริงนั้นต้องเข้าใจในหลายๆเรื่องและมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสรรพสิ่งแบบฟอร์มของเสือเกิดมาต้องดูร้ายกินสัตว์เป็นอาหารเมื่อจิตที่เข้ามาอยู่ในแบบฟอร์มนี้คิดอะไรก็ทําไปตามนั้นเมื่อหิว สัญชตาตญาณก็ต้องหาอาหารก็ต้องไปล่าสัตว์เมื่อเห็นกวางก็ต้องคิดจะฆ่ากวางตามสัญชตาตญาณแล้วดำเนินการตามที่คิดนั่นคือสัญชตาตญาณหากินตามธรรมชาติแบบฟอร์มของมนุษย์เมื่อหิวหันไปเห็นคนกำลังกินข้าวในร้านอยากเข้าไปแย่งอาหารนั้นแต่มีสติยังคิดมีการไตรตรองก่อน ดังนั้นความหิวจึงไม่สามารถผลักดันให้มนุษย์ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องได้เพราะมีความคิดอีกด้านหนึ่งที่ซับซ้อนกว่าสัญชาตญาณมาคอยขวางกัน้นการทำตามอารมณ์นั้นๆอีกชั้นหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ใช่ไปมองว่าเสือผิดที่คิดแล้วก็ไปล่า ก, กวางกินเป็นอาหารแต่เพราะเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่ในแบบฟอร์มนั้นกวางก็อยู่ในแบบฟอร์มที่ต้องคอยระวังตัวคอยหนีตลอดเวลา เมื่อแบบฟอร์มนั้นมีสัญชัตยานหนีอย่างเดียวตอนเป็นมนุษย์เคยกล้าไม่กลัวใครถ้าไปอยู่ในแบบฟอร์มกวางก็จำไม่ได้ก็ต้องคิดไปตามกลไกของแบบฟอร์มนั้นดังนั้นการมองเห็นว่าหมาน่ารักแมวน่ากอดหนูน่ากเกลียดจิงจกน้าเบือ่องูน่ากลัวไส้เดือนน่าขยะแข ย, ยงนั้นก็เป็นการมองที่ไม่เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติ จึงมีความเห็นที่ไม่เท่าเทียมกันสัตว์ต่างๆมันก็ไม่สามารถเลือกเองได้ว่ามันไม่อยากเป็นหมาไม่อยากเป็นแมวไม่อยากเป็นหนูไม่อยากเป็นกิ้งกือไส้เดือนแต่เมื่อวิบากส่งไปลงในแบบฟอร์มขันห่านนั้นแล้วเขาก็ต้องไปตามแบบฟอร์มนั้นแบบฟอร์มแมวน่ารักขี้ประจบเขาก็เล่นไปตามกลไกของแบบฟอร์มนั้นแบบฟอร์มนั้นจึงมีขนสวยน่ารักสะอาด ระจบที่เก่งแบบฟอร์มหนูชอบลักขโมยชอบคุยเศษอาหารสกปรกแบบฟอร์มนั้นจึงมีขนสีดำหรือถึมๆมหางแหลมหน่าเกลียดเพราะต้องอยู่ในท่อสกปรกเราเห็นก็รังเกียจเหมือนกันหมดมดชอบขึ้นอาหารมดกี่ตัวกี่ตัวเดินเรียงแถวจะมาุมกินแต่เศษอาหารที่ทิ้งไว้ก็เพราะแบบฟอร์มเขาเป็นอย่างนั้น จมูกได้กลิ่นไกลมากและมาเป็นขบวนซึ่งเขาอยู่ในแบบฟอร์มนั้ น, น, นก็ไม่สามารถเลือกได้ต้องเป็นไปตามกลไกของแบบฟอร์มนั้นแม้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถเลือกเองได้เช่นกันดังนั้นทำไมจึงต้องสร้างกุศลสร้างบารมีไปเรื่อยเืเพราะในขั้นที่ไม่สามารถปล่อยวางขันห้าได้ยังมีตัวตนของตนอยู่นั้นการที่จะบันทึกสิ่งใดเข้าไป ก็ควรที่จะบันทึกในสิ่งที่เป็นกุศลดีกว่า <_ d ata> เพื่อป้องกันการไปอยู่ในแบบฟอร์มที่ไม่สามารถคิดรู้ได้เองเหล่านั้น <_ d ata> ความจริงทุกสิ่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละตามกลไกของธรรมชาติแต่เราก็เลือกที่จะอยู่กับสิ่ง ใ, ใดๆก็ได้แต่อย่าได้ไปยึดว่าสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนี้เรารักแมวก็อยู่กับแมวไปถ้าสุนัขมันวิ่งไล่แมวเราก็ต้องรู้ว่า สัญชาตญาณของสุนัขมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเราก็ช่วยแมวไปตามเรื่องตามความเมตตาเท่าที่ทำได้แต่การที่จะไปขุนแค้นอาฆาตแล้วฆ่าสุนัขตัวนั้นก็เพราะเราเห็นว่าสิ่งนี้เรารักสิ่งนี้เราเกลียดเราต้องกาจัดสิ่งที่เราเกลียดไปแต่ถา้าแมวเราไปล่จับหนูก็ต้องรู้ว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นเองเราก็ช่วยหนูไปตามเรื่องตามความเมตตาที่เรามี ไม่ใช่ไปโกรธแค้นแมวเราเพิ่มขึ้นอีกหาว่าเราก็เลี้ยงอาหารอย่างดีแล้วก็ยังไปกินหนูอีกซึ่งสิ่งนี้เป็นกลไกของแบบฟอร์มของมันซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเช่นกันเพราะมันเป็นธรรมชาติของแต่ละแบบฟอร์มนั่นเองนกต้องจิกกินหนอนไก่ต้องกินไส้เดือนงูต้องกินกบกินเขียดเราไม่สามารถไปช่วยสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งโลก แต่ถ้าสิ่งนั้นเราสามารถช่วยเหลือได้เมื่อเกิดตรงหน้าเราเรามองเห็นก็ช่วยกันไปตามธรรมดาตามความเมตตากรุณาที่มีอยู่แต่บางสิ่งที่ไม่สามารถช่วยได้ก็ต้องปล่อยวางต้องเห็นความเป็นไปของธรรมชาติจิตจะได้ไม่ไปหดหูเศร้าหมองกับธรรมชาติเหล่านั้นก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของการเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติ เราจะได้ไม่ไปมีอคติกับสิ่งใดๆดรอบตัวที่อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบรักแมวเกลียดหมารักนกเกลียดหนูหรือมองเห็นสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนี้ทำให้จิตของเราโอนไหวไปตามความเห็นที่เอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองแบบฟอร์มขันห้5เป็นภาษาเรียกที่อาจไม่คุ้นเคยแต่ระบบที่ได้มาอธิบายกลไกของธรรมชาติได้นามากล่าวไว้ ซึ่งเมื่อฟังแล้วก็สามารถเข้าใจในกลไกของธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งก็ขอนํามาเล่าเพิ่มเติมเพื่อบางท่านที่ได้สนใจเรื่องของขันห้าจะได้นําไปเทียบเคียงกับธรรมะที่ว่าการเกิดมาตามกรรมนั่นเองมุมมองของธรรมชาติเป็นมุมมองที่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตามสิ่งที่มันเป็นไม่ได้สอนให้ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้เป็นอย่างที่เราต้องการ